งานแสดงสินค้าเปิดทุกวันจันใช่ไหมชีชดิลนิทัศกาลเปิดทุกวันอังคารใช่ไหมคชส์วสัตว์เปิดทุกวันพใช่ไหมคะชช พิพิธภัณฑ์เปิดทุกวันพฤหสัส บ, บดีใช่ไหมคะชีวติยช์ชชวหหอศิลป์เปิดทุกวันศุกร์ใช่ไหมคะชีวรตรยชัยน ส, สามารถถ่ายรูปได้ไหมคะชตวต้องจ่ายค่าผ่านประตูไหมคะ ค่าผ่านประตูราคาเท่าไหร่คะซิลกี่ค่าตัววิธีมีส่วนลดสำหรับบูคณะไหมคะชีเยส์หนีนหมีส่วนลดสำหรับเด็กไหมคะชีเยส์หนีชกดเดลด มีส่วนลดสำหรับนักศึกษาไหมค ะ, น, ะนั่นตึกอะไรค ะ, ะตึกนั้นสร้างมากี่ปีแล้วคะคววใครเป็นคนสร้างตึกนี้คะ ที่ฉันสนใจในสถาปั ต, ตยกรรม Я цікавлюся архітектурою ที่ฉันสนใจในศิลปกรรม Я цікавлюся мистецтвом ที่ฉันสนใจในจิตกรม Я цікавлюся живописом